หมอภัยหมอภัยส่งกันบ้านเป็นไงพอนาอรู้ตัวไหมช่วงนี้รู้ได้บ่อยไหมอะไรนะดีแล้วรู้ถูกแล้วยมมาจากไหนหม อ, อไม่สีได้ช่เคยฝึกแบบไหนเคยทำกรรมฐานแบบไหนใครสอนให้ล่ะเรา ฮะคุณแม่สิริสอนให้หายใจด้วยแ ล, วแล้วสอนแปลกอ๋อฟองยุบก็พองยุบสินะหลวงพ่อเลยง ง, งว่าคุณแม่สิริไปสอนอนาปนสติ <c oughs> ดูพองยุบไป <c oughs> ยมดูออกไหมเวลาเราคิดถึงเรื่องปฏิบัติเราชอบกระโจนลงไปเกาะตรงนั้นแหละที่ผิดกันนะ จิตที่หนักเป็นจิตอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลมันจะเบาจะตื่นรู้สึกตัวดีแล้วรู้สึกได้เยอะล้วถ้าเราไปตรึงให้นิ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นไตรลักษณ์นะจะรู้สึกว่าเที่ยงนิ่งๆ บ, งบังคับเรียกว่าอัตตากิลมัทฐานุโยกสุดโต่งข้างบังคับนะเมื่อสี่ห้าปีก่อนหลวงพ่อก็ไม่ค่อยกล้าพูดเนาะ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 เช่นถ้าใจปิดกอัธกถาดีกาอะไรพวกนี้จะมีคทำผีพวกนี้อยู่เยอะเลยนี่เราไม่ได้เรียนเราไม่ได้เรียนเราก็อยากปฏิบัติเราก็ลงมือทําไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ลําบากเจะอึดอัดแล้วถ้าอึดอัดหลายๆปีเครียดจัดๆนะเพี้ยนก็มีนะเอ อ, เ อ, อดีแล้วเป็นบุญแล้วบางคนต้องนั่งแก้แก้ตั้งหลายปีนะ ที่เป็นมากๆากนะเครียดนะอ้าเบอร์สามสิบสามส่งกันบ้านไปบวชมาหรือตนดะแต่ผมทันสมัยเหลืออย่างนี้ฮะบอลโลกเขาต้องตัดส่งนี้ได้หรอตัดส่งลูกฟุตบอลเ่นะ ที่จริงยิง่งยิ่งมีปัญหาทางโลกนะยิ่งต้องยิบรีบขยันดูนะส่วนส่วนมากเราไปวุ่นวายเองหรือเปล่าเช่นไปดูบอล <c oughs> มันเลิกหรื อ, อยังบอลเนี้ยยังเหรอหน้านี้นะแต่ก่อนสมไมก่อนทำงานนะหน้านี้คนจะตาแดงตาริบรีริบรี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 ถ้าเราแยกอย่างนี้แล้วก็วันๆในกิเลสจะเอาไปเยอะเลยเช่น <Aun. S 1> เราแกล้งเดินให้ช้าๆเนี่ยปกติเคยเดินธรรมดาๆไม่ช้าไม่เร็วนักนเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราเดินให้ช้าสุดขีดเลยรหวังว่าสติจะตามทันยังไงก็ไม่ทันกว่าจะเดินเก้าหนึ่งกิเลสเกิดไปสิบครั้งละกิเลสไม่ช้าด้วยนะยงนั้จะไปแกล้งทําให้ช้ากิเลสมันก็ไม่ช้าด้วย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 เป็นคนดีก็ทุกแบบคนดีนะแต่ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าจงเป็นคนชั่วนะคนดียังไม่เป็นเลยแล้วจะเป็นคนชั่วได้ยังไงคนที่มันชั่วได้เพราะว่าถูกกิเลสครอบงำนะของเรากระทั่งกูสนยังครอบงำไม่ได้นักปัสาอะไรกิเลสจะมาครอบงำเราได้ดังั้นต้องฝึกสตินะฝึกให้คอยรู้เท่าทาันกายรู้เท่าทันใจของเรามากมาก จนปัญญาเกิดโอ้กายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยทางหลุดพ้นทางอยู่รอดอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ที่อื่นเลย <ST true> ต้องรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจนี่แหละจนเห็นความจริงของกายของใจแล้วมันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้คนที่ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เขาสมมุติเรียกว่าพระอรหัน <ST> S> <S คนที่เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราคือพระโสดาบัน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 เรี้งแถวหลายคนเลยนะเม้นเสื้อเขียวนี่ไว้คนหนึ่งเสื้อเขียวนี้ยังคิดมากคิดมากคิดมากยากนานอยากคิดเยอะเป็นกรรมฐานนะง่ายๆเช่นคนมาชมเราใจเราพองเลยเคยรู้สึกไหมเวลาคนชมนะใจมันพองเลยรู้ว่าพองคนทั่วไปพอถูกเขาชมใจพองนะจะรู้ว่าเขาชมว่าอะไรแล้วรอว่าเขาจะชมเพิ่มอีกไหม ขนะนะองเรานะักปฏิบัติเราชมนะใจก็พองเหมือนกันนะไม่ใช่จะต้องแกล้งทนะํานะเชิญชม <c oughs> นะอย่างนี้ใจไม่พองใจเฉยๆนะอย่างนี้แกล้งทำํำนะหรือบางคนเขาด่ารู้สึกไหมเวลาคนเขาว่าเราใจเราเดือดปุดๆขึ้นมานะง่ายๆดูแค่นี้แหละใจมันเดือดรู้ว่ามันเดือดแต่กี้มันไม่เดือดตอนนี้มันเดือดแล้วนี่แสดงว่ามันไม่เที่ยง นะไปดูไปจะห้ามไม่ให้เดือดก็ไม่ได้เนี่ยใจเป็นกองบังคับไม่ได้ดูง่ายๆอย่างนี้แหละแต่ถ้าบางคนทําไม่เป็นก็จะจ้องไว้อีกแบบเดียวกันนะะจ้องไว้ทีนี้ใครด่าก็เฉยนะใครจะด่าหลวงพ่อเชิญนะตอนนี้ถ้าหลวงพ่อถอยออกจากตรงนี้ห้ามด่านะเหนือได้โชกกันบ้างเนี่ยสิ่งที่ผิดมันจะมีสองอันลืมตัวไปนะกัดบังคับเอาไว้จ้องไว้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 ไม่ได้ต้องการสุขความสงบความดีนะสิ่งเหล่านั้นเป็นผลพลอยได้ถ้าใจของเรารู้ตื่นขึ้นมาจิตจะมีความสุขจิตจะมีความสงบจิตจะมีคุณงามความดีมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นลาดับลาดับแค่มีสติตัวเดียวนี่แหละไอ้ดีๆทั้งหลายตามมาเองแต่ตรงที่พยายามจะเป็นคนดีนะัเหนื่อยนะรู้สึกไหมชอบเบอร์แปดชอบเป็นคนดีรู้สึกไม่เหนื่อยนะเป็นคนดีมันเหนื่อยนะ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 ท่านชอบให้ลูกศิษย์เดินจงกรมเดินทั้งวันเดินทั้งคืนนะเอะกลางวันเนี่ยตื่นเช้าตีหนึ่งครึ่งไม่เรียกตื่นเช้า เ, เรียกว่าตื่นดึกนะตื่นตีหนึ่งครึ่งนอนห้าทุ่มเวลาที่เหลือนอกจากเวลานั่งทำทูล่าอะไรแล้วเวลาที่เหลือไว้เดินเออนะเราไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านเรากําลังนินทาเข้า ใ, ใจไหมเราต้องไม่สร้างหลักฐานนะเอะ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 ลองคิดคิดพิจารณาดูอ๋อมันเจ้าเล่หนะเสร็จแล้วจะรีบกลับไปบอกนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อบนหลวงพ่อประโมทบอกว่าหลวงพ่อประโมทบอกว่าไม่ต้องเดินทั้งวันก็ได้นะต้องทำทุกอีริยาบทยืนเดินนั่งนอนขนะนะี้เกียจขี้เกียจแล้วเอาคำของครูบาอาจารย์องหนึ่งนะไปบิดเบือนไปใส่อีกเรื่องหนึ่งนะ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 แต่ไม่ใช่อยู่ๆก็คิดถึงปฏิบัติก็วางฟอร์อมจ้องเอาจ้าเอาเหมือนจะกัดกิเลสให้ตายนะมันจะตายก่อนกิเลสทุกรายแหละเพราะกิเลสไม่ตายไอ้พวกไล่กัดกิเลสนันไม่มีทางชนะหรอกแต่ถ้ารู้สิ ก, กิเลสเกิดเพราะอะไรนี่กิเลสเกิดตอนขาดสตินะถ้ามีสติอยู่กิเลสไม่มีถ้ากิเลสเนี่ยมันมีพื้นฐานมารากเง่าของมันคืออนุสัยนะี่ อนุสัยเนี่ยนะถ้าเราทําตามใจกิเลสบ่อยๆกิเลสจะยิ่งพอกผูนถ้าเรามีสติไว้อนุสัยจะค่อยๆเหี่ยวแห้งไปแล้วเรามีสติมากๆอนุสัยเหี่ยวแห้งนิสัยที่ไม่ดีมันค่อยๆเหี่ยวแห้งไปกลายเป็นนิสัยดีๆทีหลังกิเลสก็จะเกิดน้อยลงน้อยลงนะจนวันหนึ่งไม่มีกิเลสฟังไปเรื่อยๆนะไม่ต้องซีเรียสฟังหลวงพ่อพูดนไม่ต้องจับต้นชนปลายนะหลวงพ่อพูดไปเรื่อยๆหลวงพ่อพูดตามใจชอบ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 ท่านอาจารย์วิวัฒน์อาจารย์วิวัฒน์อยู่วัดสมสมนัตรู้สึกไหมจิตใจวอกแวกไปดูคนอื่นลืมตัวเองรู้สึกอยังเนี่ยฝึกไปอย่างนี้ใจมันห น, ไนีไปรู้สึกหนีไปรู้สึกอย่าบังคับเบอร์เนี้ยติดบังคับนะเบอร์แปดใช่ไหมยังชอบบังคับอยู่เบอร์เจนะ็ดะใจลอยแล้วรู้สึกไหมกลับข้างกัน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 อืมอืมเออไออั ต, อตมาไม่ได้สอนว่าไม่ให้โมโหนะเออไม่คิดไม่มีคําว่าน่าจะรู้เท่าที่รู้ได้นะไม่ใช่น่าจะถ้าน่าจะได้นะเราก็น่าจะบรรลุพระอรหันต์กันหมดละมันไม่มีคําว่าน่าจะมันรู้เท่าที่เป็นสามเก้าแล้วรู้อะดีแล้ว ถ้าเก้าที่สี่มือฉาดองนี้อันนี้ช้าไปนิดหนึ่งนะดีแล้วดีแล้วแสดงว่าพัฒนาเราฝึกอย่างนี้นะสมมุติว่าชาตินี้เราไม่บรรลุอะไรเลยนะมันติดนิสัยไปชาติหน้าชาติต่อไปจะฝึกง่ายเคยมีคนคนหนึ่งเล่าให้หลวงพ่อฟังตอนเด็กเล่นอยู่หน้าบ้านเห็นไฟไหม ข้างข้างบ้านบ้านเป็นตึกแถวห่างไปสี่ห้าห้องเห็นไฟไหม้นะตกใจลุกขึ้นมาวิ่งจะไปบอกพ่อพอวิ่งไปสามเก้านะไปเห็นความตกใจเหมือนที่โยมเดินสามเก้าแล้วเห็นความตกใจแต่นี้วิ่งเพราะงั้นวิ่งนี่ใช้เวลาน้อยกว่านิดนึง <c oughs> แล้ววิ่งไปสามเก้าเห็นความตกใจนะ้ความตกใจขาดตรงนั้นเลยแล้วเห็นความโกรธความโกรธขาดไหม <c oughs> ใช่มันขาดเลยนะจิตใจเบิกบานผ่องใสได้บุญเลย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 อยากปฏิบัติก็ลงมือกําหนดดังนั้นการกําหนดนี้ไม่ใช่ตัวสติหรอกนะคือตัวโลภะเจตนานะเป็นตัวกิเลสนะดังั้นเราลงมือกําหนดเมื่อไหร่ใจจะแข็งแข็งทื่อๆเราจะคอยไปจ้องเอาไว้ใจเราจะนิ่งๆใชจเป็นการเพ่งการจ้องนะนิ่งๆไปงั้นะสติไม่ได้กําหนดนะการกําหนดมันเป็นจุดตั้งต้นให้เกิดการเพ่งการจ้องการบังคับตัวเองใจเราจะแน่นๆขึ้นมาแข็งแข็ง จะอึดอัดนะร่างกายแข็งแข็งจิตใจแข็งแข็งนะนี่เนี่ยศัตรูของการปฏิบัติที่เราจะรู้กายรู้ใจมีสองตัวตัวหนึ่งเผลอไปใจลอยไปตัวหนึ่งกำหนดไว้เพ่งไว้บังคับไว้ควบคุมไว้ตัวแรกพระพุทธเจ้าเรียกว่ากามสุขันลิกานุโยกตัวหลังเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยกตัวแรกที่เราตามใจกิเลสหลงลืมเนื้อลืมตัวไปนะั้น มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอาปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายชั่วการที่เราคอยควบคุมบังคับตัวเองที่เร่องอัตตากิลมทฐานุโยคนะั้นมีอีกชื่อหนึ่งว่าปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดนะีความปรุงแต่งฝ่ายดีก็ทำให้เราเป็นคนดีแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับการบรรลุมรรคผลนิพพานเลยพนะพุทเจ้าไม่ได้สอนให้เราปรุงแต่งฝ่ายดีนะการจะสอนท่านสอนเหมือนกัน สอนให้มีทานมีศีลมีอะไรเงี้ยปรุงแต่งฝ่ายดีอันนั้นสำหรับธรรมะ ส, สำหรับชาวโลกแต่สำหรับคนที่ต้องการข้ามโลกข้ามภพข้ามชาติท่านสอนอีกการหนึ่งท่านบอกว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราอาวิชชาเป็นตัดใจให้เกิดความปรุงแต่งฝ่ายดีด้วยฝ่ายชั่วด้วยรากเงาของความปรุงแต่งทั้งดีและชั่วคืออวิชชานะคือตัวเดียวกันอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ เราไม่รู้อะไรบ้างไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคนีไม่รู้ทุกข์คือเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์เราคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวดีกายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเราก็อยากให้กายนี้ใจนี้มันมีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์นี่เพื่อเราจะได้มีความสุขคนโง่ก็แสวงหาความสุขด้วยความปรุงแต่งฝ่ายชั่วคิดว่าได้สนองกิเลสแล้วก็จะมีความสุข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 พออยากให้มันสุขอยากให้มันพ้นทุกข์เห็นไหมมีตันหามันอยากขึ้นมาแล้วมันก็เกิดการดิ้นรนปรุงแต่งฝ่ายดีบ้างฝ่ายชั่วบ้างนะอย่างแมวเนี่ยมันไปจับนกทำไมมันไปจับนกมันคิดว่าถ้ามันได้กินนกแล้วมันจะมีความสุขเนี่ยหรือว่าพวกเราไปดูบอลถามว่าดูทำไมดูเพื่อหาความสุขนะเนี่ยเป็นวิธีหาความสุขอย่างชาวโลกหารูปที่ดีหาเสียงที่เพราะหากลิ่น หอมหารถที่อร่อยหาสัมผัสที่ดีๆนะอาบน้ําเองไม่ได้ต้องให้คนอาบให้อะไรเงี้ยสัมผัสแล้วบอกมีความสุขนะนี่นเรียกคนแสวงหาความสุขด้วยการหาสัมผัสอันนี้เรียกว่ากามสุขาลิกานุโยคนะเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายชั่วลึกๆ ก, ก็คือเพื่อหาความสุขพวกที่อุตสาห์เข้าวัดมาปฏิบัติธรรมนี่เพื่ออะไรหวังว่าวันนึงจะบรรลุมรรคผล น, นิพพานจิตใจจะมีความสุขเห็นไหมอยากได้ความสุขอีกนั่นแหละ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 เข้าถึงจิตถึงใจนะจนวางจิตวางใจลงไปได้นี่พระพุทธเจ้าสอนเส้นทางนี้ไว้นะให้เรารู้ทุกตอนอริยสัจให้รู้ทุกทุกคือกายกับใจของเรารู้ลงไปพวกเราไม่มีใครยอมรู้ทุกพวกเราอยากละทุกท่านบอกให้รู้ทุกเราอยากละทุกเราไม่ได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะออท่านบอกให้ล้าตันหะก็เราอยากมีความสุขเราอยากพ้นทุกข์อะขอมีความอยากไว้หน่อยไม่ได้หรือเห็นไหม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 การมาดูจิตดูใจี่ดูจิตดูใจจะเห็นว่าจิตเป็นทุกข์นี่ยากที่สุดเลยเราจะเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถ้าจิตได้รับอารมณ์ที่ดีก็เป็นสุขจิตได้เจอของไม่ดีก็เป็นทุกข์เบื้องต้นดูใช่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์นี่ดูยากดูว่ามันไม่เที่ยงไปก่อนเห็นว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายดูไปเรื่อยเห็นมันเป็นอนัตตาเราบังคับมันไม่ได um ้ นี่พอบังคับมันไม่ได้นะจิตใจมีสติมีปัญญายแก่กล้ามันจะค่อยๆปล่อยวางปล่อยวางความยึดถืออารมณ์ต่างๆจะทวนกระแสเข้ามาจนถึงตัวธาตุรู้ตัวจิตผู้รู้ของเราถ้าทวนกระแสเข้ามาจนถึงจิตผู้รู้แล้วเนี่ยมันเป็นภูมิของพระอนาคามีเข้ามาถึงตรงนี้แล้วถ้าสติปัญญายแก่รอบจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าตัวจิตนั่นแห ล, ละตัวทุกข์ไม่มีตัวอื่นเป็นทุกข์เท่าตัวจิตนี้เลยถ้าเห็นอย่างนี้มันจะสลัดจิตทิ้งเลยปล่อยวางความยึดถือจิตได้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 เราไม่ใช่อัตตาดูเรื่อยๆดูจนกระทั่งวันนึงมันเห็นเลยกายนี้ใจนี้ไม่น่ายึดถือไว้นะมันปล่อยวางอย่างกายเนี้ยดูง่ายปล่อยง่ายคนเวลาเจ็บหนักๆใกล้จะตายแล้วทรมานนะอยากตายนะอยากตายตายให้พ้นทรมานไปเนะี่ยยอมนะยอมทิ้งกายแล้วเขาเห็นว่ากายมันทุกข์แต่ไม่มีใครเห็นว่าจิตเป็นทุกข์หรอกจิตเป็นทุกข์นี่ดูยากที่สุดต้องดูนาน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 มาบอกว่าเนี่ยสมภารไล่ออกมาจากวัดก็ <c oughs> เกิดไปถามอาจารย์เข้าท่านพยากรดิฉันว่าเป็นผ้าละหันมาตั้งห้ารอบแล้วะดิชันก็ยังโมโหเหมือนเดิมอ่ะสงสัยว่าไม่ใช่มั้ง <c oughs> สมภารเลยไล่ออกมาจากวัด <c oughs> แกลงมาหาแม่ชีอีกท่านหนึ่งอยู่ที่กำแพงเกพชรไปบอกคุณยายสงสัยว่าดิฉันจะถูกหลอกมาสี่สิบกว่าปีแล้วแม่ชีมองหน้า ค่าถูกหลอกหกสิบกว่าปีแล้วเพราะสติที่ไปบังคับมันให้เกิดนะมันใช้ไม่ได้ไม่ใช่ของจริงนะค่อยๆฟังนะฟังหลวงพ่อค่อยๆฟังไปค่อยๆดูค่อยๆสังเกตฟังรอบแรกไม่รู้เรื่องนี่ไม่ใช่เรื่องประหลาดนะฟังหลวงพ่อปกติเขาฟังกันสามครั้งต้องมีทูติยำปีตัดตียำปีนะฟังได้สักสามรอบนี้พอรู้เรื่องแล้ว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 รู้สึกไหมยังบังคับตัวเองอยู่ยังบังคับนะเอีรู้ไปอะไรนะราบเท่าที่ทราบได้ทราบบ่อยๆหน่อยก็แล้วกันเรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่ออนุญาตให้โลภโกรดหลงได้นะจะโลภกรธหลงก็ได้อนุญาตแต่ต้องรู้ไวๆมีเงื่อนไขนะรู้ให้ไวหน่อยก็แล้วกันทำไมบอกโกลภโกรธหลงก็ได้เพราะเราห้ามไม่ได้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 เลยลืมไปเลยนะไปดูนะไปดูดูเรื่อยๆดีละรู้สึกไหมใจเราผ่องใสขึ้นเนี่ยทำถูก้าทำถูกนะใจจะสว่างผ่องใสมองออกไหมดูเด็กปร่เดิมดูออกไหมถ้าเกิดความรู้สึกตัวนะจะดูอ่อนเยาว์นะจะดูเด็กปร่เดิมถ้าคนหลงคนลืมตัวเองนะจะดูแก่งักเลยนะ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 ความประพฤติหน้าเกลียดคนยิ่งแก่ยิ่งหน้าเกลียดเคยได้ยินไหมคําว่าเท่าหัวงูเงี้ยเห็น ไ, ไหมทำไมหนุ่มๆไมห่หัวงูมาเท่าแล้วหัวงูตอนหนุ่มๆสะสมความเจ้าชู้เห็น ไ, ไหมหรือยายแก่คนหนึ่งคนเขาเรียกยายแก่ขี้บน่นเห็นไหมตอนสาวๆบ่นไม่เป็นสะสมไปเรื่อยบ่นมาละเล็กมาละน้อยนะแก่ๆบ่นเก่งเป็นยายแก่ขี้บน่นหรือว่างุญญ่นหงิดเก่งนโมโหง่าย ยิ่งแก่ยิ่งอารมณ์ร้ายขึ้นเรื่อยๆแต่อันนี้มันก็เรื่องธรรมดานะสัตว์ตุกูลลิงเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหลย<น>ะยิ่งแก่ยิ่งดุ <นะ S 1> เพราะอะไรเพราะว่ามันโอ้นี่กว่าจะขำใช้เวลานา น, น <c oughs> มีดีเลย์ไทม์นานมากเลย <c oughs> เพิ่งนึกได้ว่าอ๋อเราก็สัตวตะกูลลิงนะมันเป็นธรรมดานะยิ่งแก่ยิ่งแย่ <c oughs> เพราะอะไรพระพุทธเจ้าสอนธรรมชาติของจิตไหลลงต่า เพราะเราฝึกนะคนที่มาที่นี่ส่วนมากมาฝึกตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆนะหรืออย่างท่านในพลเกษียณแล้วแต่ท่านก็ฝึกมานานนะฝึกมานานตั้งแต่ท่านยังหนุ่ ม, มอๆอ้ออ้นะ <c oughs> คุณดำเกิงนี่นะอายุมากแต่ว่าชำนิชำนาญ น, นะหาคนพาวนาแข่งกับคุณดำเกิงก็ยากนะ <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกว่าแก่ลายคลาม <c oughs> ไม่ใช่แก่กระโหลกกะลาเนี่ยค่อยๆเรียนไป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 วันนี้นะแปลกนะไล่ก็ไม่ไปนะโยมอ่ะต้องไล่หลายรอบกว่าจะไป <c oughs> หือไม่ได้หรอกเออไม่มีทางอะจิตเนะี่ยมีธรรมชาตินี่เป็นกฎนะกฎธรรมชาติเลยจิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวง <c oughs> ั้นในขณะที่เห็นก็ไม่ได้ยินขณะที่ได้ยินก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยงั้นบางคนนะไม่ฉลาดนะบางคนไม่ฉลาด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 รู้กายรู้ใจของตัวเองได้แล้วเราก็ไปปฏิบัติเอาเอาหนุ่มเสื้อเหลืองนะั่นใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมเบอร์อะไรจ้ะเพื่อนบังไว้มองไม่เห็นเออเบอร์สิบเก้าอายุหรือหรืออะไรือกลัวอะไรนะเอออ้าวจิตมันจะกลัวห้ามมันไม่ได้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 ฝึกรู้สภาวะธรรมไปเรื่อยๆโลภโกรธหลงอะไรหันรู้จักไปเรื่อยนะเดี๋ยวสติเกิดกิเลสมันดับอเองเออไม่รู้ตัวอ้าวนึกว่าตื่นแล้วก็ลุ้ไปทำความเพียรเ <c oughs> หนื่อแล้วหลไหมฝึกตั้งแต่ตอนยังไม่นอนอย่าไปฝึกตอนนอนฝึกตอนอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเงี้ย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 เดี๋ยวจะเป็นโรคนอนไม่หลับไปเดี๋ยวจะกลุ้มใจคือถ้าสติเกิดนะ<ม>เดี๋ยวมันก็ไม่นอนเลย<ม>แต่ว่าถ้าเราฝึกจนชำนี้ชํานาญนะเราจะหลับไปพร้อมกับความมีสติตรงนี้ยถ้าถ้าจะฝึกช้านนะจะทําได้อย่างคุณดําเกิงเนี่ยจะดูจนเป็นคล้ายคลีายลีห ล, ห ล, หลีแล้วลงผวังเลยตามรู้ลงไปได้ตลอดสายเลยทํายากทายากนะฝึกตอนตื่นก่อน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 จิตมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดะไม่ได้ไปฝึกให้เขาคิดนะแต่ว่าพอคิดแล้วเนี่ยจิตเกิดกุศลบ้างเกิดอกอุศลบ้างตรงนี้มีหน้าที่รู้ทันอย่าไปสอนลูกให้ไม่คิดนะเดี๋ยวโง่าตายเลยนะอย่างนั้นสอนจิตนะสอนให้ไม่คิดอ่ะอ้าวันนี้พอนะเชิญโยมไปได้แล้วนะเชิญหลวงพจะต้องปุึกกับพระนะ